คาราโบเจนิวาโตจักสันตุถีจักตะนุตาความเคารพกวามเจียมตัวความสันโดษเอตมังคารมุตตะมัมงเป็นมงคลของเทวดาและมุษทางหลายพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่วางเวนวางภัยไม่ได้ขอดเวนขอดภัยสอนให้วางเวนวางภัยกันนับแต่ปานาติบาตเป็นต้นไปรักสงบคือรักไม่มีเวนไมีภัยพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสานาที่ปลดเวรภัยในวัตสงสารไม่มีเวรน้ภัยแก่กันและกันเวรจะ ร, รับก่อพราะไม่ผูกเวรเวรจะไม่รัรบก่อพราะผูกเวรเวรชนะเวรไม่ได้ที่ไม่ผูกเวรจึงชนะเวรได้พระบรมศาติสัต์ท่านกล่าวว่าผู้ดใดเขาขอ ข, อขามาโทษเพื่อนั้นไม่ยอมให้เขา ท่านผู้นั้นเป็นผู้หมกเวนไว้ในโลกพระบรมศาสดาคำสอนแต่ละบทแต่ละบาทจะเสมอเหมือนคำสอนพุทธศาสนาไม่มีในใจโลกทาเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเป็นสวั์เป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นพรหมสมบัติเต็มภูมิเป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วท่านสอนรวบรัดพระพุทธศาสนา พ่มอมาจาย์เบื้องต้นของพุทธศาสนาก็มีธานวัดศีลวัตเบื้องต้นสอนให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ถือศาสนาอื่นจึงยืนยันว่ารัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยยังกินจิรัตนังรอยวิชติวิธามพุทธรัตนังพุทธะสมางนาติตัตชม่าโสเทภวันตุเตยังในรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยเหตุฉะนั้นจึงปฏิเสธนัตทิเมสศ น, นังอันยังพุทธโทธธรรมโอสรังโข เมฆสันนังวังเอเตสจวัฒเเนโะสติเตโสติเมโหตุสปาราก็่าดีสนะะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะะของเราจึงปฏิเสธหมดนั่นปฏิเสธไม่ถือศาสดาอื่นพูดถึงพระสวสดาบาลไม่เสียดายถึงศาสดาอื่นเลยจะเ ล, ลึกได้ไม่เลึกได้ก็าตามผูขาดจองขาดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรียกับภูมิของพระสวสดาบาล ถ้าถึงพระสวัสดิบาลแล้วสักกาคามีนาคามีเปิดประตูไปเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เปิดปิดเลยไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเสี้ยนห้าไม่เสียดายอยากเล่นอบายมุกไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะไรเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกามาให้ประกอบ สมบัติของอวราชกอวาสิกาประกอบด้วยห้าประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อใน พ, พุทธธรรมะสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์คือชิ้นห้าไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคลไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาบำเพ็ญมุนแต่ในพุทธศาสนาอวราชกอบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการและเว้นจากวิบัติหประการซึ่งตรงกันข้ามทั้งบรมาศาสตร์สอนหมดแล้วที่ให้พัฒนบัติทั้งเล่มกระพุ่มของพระโสดาบันเราดีๆนี่เองนั่นนั่น เราไม่เข้าใจว่าเราได้ศาสนาดีเรายังจะเป็นกบเลือกนายอยู่ยังจะเป็นไก่แก้กระพรอยอยู่ได้ของดีแล้วไม่รู้จักเอา่าศาสนาอื่นไม่ไดาดื่นทมเถไม่ต้องเอามาพนเปพูดจะถึงสุปเิปโนโอชุชุยาญะสามีก็คือศาสนาพุทธเท่านั้นเองศาสนาอื่นๆอย่าไปพูดเลยมหาปรินีพานสูตรขาาเรามันศาสานา เทศให้สุภัทะผู้บวชในวันนั้นสำเร็จพระอรหันในวันนั้นสุภัทะประกาศทืนพระบรมศาสนาว่าศาสนาอื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทในยัญยะวิธีของเขาเขาจะมีสุพจนโอชโยยะสามีบ้างหรือไม่ยาเลยยาเลยย่าเล ย, ย, เลยมีก็มีในศาสนาพุทธของเราเนี่เท่านั้นเองศาสนาอื่นมีดาดอื่นท้องเถเพราะเขาหนักไปในทางวัตถุนิยม วัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ใ้อู่ของอ น, นิจจังวัตถุนิยมก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้ทั้งนั้นเราอธิบายให้ฟังพอสมควรเท่านั้นพอเป็นเครื่องประดยบปฏิบัติเพื่อคนทุกในนะวตาสงสารเพราะอาศัยกีวรบินทะบาทกีวเศรเสนาสนะเภสัตปัจใจสีศาสนาอื่นอย่ามาวุ่นเลยไม่มี ไม่มีพระสสดาบัณไม่มีสักขาคาไมีไม่มีพระอน า, าคาไม่ไม่มีพระ阿拉หาันถ้าแต่พระสสดาบัณไม่มีแล้วอย่าไปสงสัยเลยอันอื่นมันจะมีตัวของเขาที่เป็นเจ้าศาสนาของกเขาก็เป็นพุทธชนคนหนาเราดีๆนี่เองไม่ใช่พระสสดาบัณเลยแต่เราสถาปนเป็นพระสัมมาทัตุเจ้าอย่างเต็มที่แล้วพรับเราพระรสัต์ทุกๆพระองค์หนักหนักหนั ก, นก นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายศาสนาอื่นๆไม่ยืนยันได้ทศพญานิ0ก็ไม่มีศาสนาอื่นศาสนาพุทธมีทศพยานิ0เหตุฉะนั้นท่านจึงกล้าปฏิญญาสิหาหนาทางนังนาทันเตเตในพุทธบริษัท บริษัทศรีสาลาพอแมจ้ากรรมประวัตเตนติให้พรมอาจารย์เป็นไปโลเกอปฏิวัติย่างให้โลกทั้งหลายเป็นไปอุเัตาพุทธธรรมเมพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เกิดขึ้นแล้วมากกว่าร้อยโกดอเนกธาตุโกโยมากกว่าร้อยโกดหนักนัน้าห้อยหนองครองเบิงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนา โดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่อย่างนั้นพระพุทธศาสนาจะล่วงไปกี่กัดกี่กันก็ตามพระพุทธเจ้าองค์หลังๆมาก็มาตัดทรุอันเดียวกันไม่ได้บลบร้างพอรอบอกันเลยมาเทศอริยสัจสี่เหมือนกันมาเทศธรรมจักรกปรวัตนสูตป ธรรมจักกะพวตนาสูตรนั้นมันมีศีลสูตรสมาธิสูตรปัญญาสูตรมีไตรซิกขาอยู่ในตัวแล้วแต่เป็นเพียงไม่บัดออกเป็นซิกขบทเท่านั้นพระมก 8, ักคแปดศีลสมาธิปัญญามีครบในไตในมรรคแปดแล้วใอัธังชิโกมรรคโขแล้ว ครบแปดหมื่นสิทิพระธรรมมาขันแล้วทำให้จาักพปศกปศตนาสูตรไม่ใช่ไม่ครบกายว า, าใจก็าครบใจชี้ขาเหมือนกันอธิศินสีกขาชีกขาคือศิลยิ่งอธิจิตตะสีกขาชีกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาชีกขาสีกขาคือปัญญายิ่งนี่หมายถึงพระอาหารหันต์หมายถึงพระสุรดารันสกทาคามีก็ได้เพราะเป็นยิ่งเป็นเอกเทศพระจําสงฆ์เนพาน พุทธังสงไปรวมกันที่พระเนปาพุทธังสงเบื้องต้นรวมกันที่พระสวสดบิบาลพุทธังสงเบื้องปลายรวมกันที่พระอหันต์ภพมจันเบื้องต้นคือสุปฏิปันโนโลกีไม่มีในพระพุทธศาสนาเลยที่เอาศาสตราอื่นมาปนไปก็มีทั้งโลกีและโลกตรัพปนกันอยู่เอาผ้าพ่อตาก็ผ้าลูกเขยไปพาดไปนั่งเตียงเดียวกันไปพาดที่ สายเสด็จเดียวกันมันก็มีสิพระพุทธศาสนาะไม่ได้ยืนยันเอาสุตํมกอสุปเจปโนมาเป็นพระมรจันเบื้องต้นหมายเอาพระสอดบันเท่านั้นเป็นพระมรจันเบื้องต้นพระพุทธศาสนาะคนที่ควรเชื่อได้มาพูกขึ้นจะทำสามอย่างสองอย่างก็หมายเอาพระสอดาบันในอนิยตตะกูนั้นเป็นเซฆะมาบริโภคจอมปฏิเทศริยะนะ่ะก็หมายเอาพระสอดาบันเท่านั้นไม่ได้หมายเอาอื่นนั่นในพระไม่ได้ แต่พวกเราไปเอาคนอื่นมายุ่งสมองแล้วก็เอาพระบรมชาติสัตวไปขึ้นสเสตีชกมวยกับศาสน า, อ, าอื่นมันก็บ้าจริงๆอานเอื้อมเราไม่อานเอื้อมเราเราไม่สงสัยเลยไม่สงสัยในศาสนาศาสนาพระองค์เลยเราไม่สงสัยว่าศาสน า, อ, าอื่นจะเหนือพระพุทธศาสนาไปได้พูดเพเียงๆเลยเราใครจะลังเกียจก็ตามเราพูดตามเป็นจริง เรียกว่าไม่ลำเอียงนลำเอียงเพราะความกลัวเรียกพยาคติถ้าจะยกยอกพระพุทธศาสนาก็กลัวเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กลัวเราเออเราไม่ลำเอียงเราไม่มีพยาคติของดีเราไปว่าของชั่วมันก็ไม่ดีของดีกว่าเพื่อนจะไปตีเสมอกันมันก็ไม่ถูกมันก็ลำเอียงสี่นักนักนักความยืนยันพระพุทธศาสนาไม่เป็นอุปทาน พราะพุทธศาสนาเหนือเขาแล้วก็ต้องยืนยันสิพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้หากินทางอุเบกขาเนี่ยเข้าเบกขาหากินทางอุเบกขาหน้าเดียวก็กลายเป็นอุเบกขวางกลายเป็นอุเบกขวางอุเบกขาในประมวลอาหารเป็นอุเบกขาในสมาธิอุเบกขาในสัมผัสจงเป็นอุเบกขาวางเฉยต่อสังขารอุเบกขาพลังหันเป็นอุเบกขาต่อตาหงส์จงเรียนกายใจ เป็นชลังกุเบขาแต่เราไม่ไม่เอา้าพระพุทธศาสนาดีเด่นยก็ต้องว่าว่าดีเดน่นพระมหาสารีาบุตรทรงสรรเสริญพระพุทธศาสนายิ่งกว่ า, าศาสนาใดๆทั้งสิ้นเหตุนั่นองค์ท่านจึงมีปัญญามากนั่นนั่นถ้าแม้ขั้นข้ามเลยพระาศารีาบุตรเพ่งเพ่งเลยข้าพระองค์เดินโยกรมกลับไปกลับมาไม่เห็นาศาสตราใดๆจะเหนือพระองค์เจ้าได้ เออดีละดีละเธอเป็นผู้มีปัญญาเราไม่เห็นสาวกองคไหนจะมีปัญญาเท่าเธอเลยเธอมีปัญญามากเธอก็ระลึกเข็นมากสิเธอจะระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์ไปจนกี่กับกี่กันมันก็ไม่หมดถึงจะยศอนลงมาเป็นพระวิสุทธิคุณและปัญญาคุณและพระประหา r m a กรอนาคุณก็ตามแต่ใหญ่หลวงหาที่วางไม่ได้ท่านพู้น กระจายก็ไม่มีที่กระจายเพราะมันคับแล้วท่านพูดอย่างนั้นมันมากเลือเกินดีรักษาได้บุตรเอ๋ยเราไม่เห็นใครจะมีปัญญาเหมือนท่านนั่นนักนักแต่พวกเราถ้าจะเถิดพระพุทธศาสนาของเราเก่งจะผิดเขาอืมของเราดีกว่าดีสิก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวของทั่วประเทศนพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ใช่ว่าจะบัญญัติให้แต่ประเทศไทยกับประเทศอินเดียเท่านั้นโรคสามารถ จะนับถือได้หมดนัดเป็นศาสนากลางของโลกเป็นส่วนกลางของโลกแต่โลกขี้โอทําไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสนาหน่อยนะักเออเขาโคกับขนโคมันก็เป็นธรรมนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฝากไว้พระพุทธเจ้าองค์ที่หลังอีกพระเจ้าพระพุทธเจ้ามาแต่และองค์ละองค์ก็เอาไปได้ทีแต่เขาโคเท่งนั้นแหะส่วนขนขนโคเอาไม่ได้ มันก็ฝากก็จำเป็นต้องฝากไปให้พระพุทธเจ้าองค์หลังๆว่าไม่ฝากก็ฝากอยู่ในตัวแล้วเพราะกรรมและผลของกรรมของเขาฝากเองทุกๆุกศาสนาต้องมายินดีในศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะสำเร็จพระโสดาบันนั้น น, นันันยกอุทาหอนเทโหมดคลาสารีบุตรออกจากขนชัยนาตบดพลิกจิตพิจัยออกจาก สนชัยนัทธตบุตรจสีก่อนจึงสําเร็จพระโสดาบาลพระเรื่อมไสพระอาตชิเรื่องไสพระอาตชิก็เท่ากับว่าเรื่องใสพระพุทธศาสนาณัตณันนัตพระอาตชิเป็นพระอรหันนั่นเขาก็ปจะไปพระเนรพลทั้งหมดอยู่ใต้โย่นี่ยสี่ทุกชนน้าผู้เกิดในครันในไข่ในเท่าในไข่แล้วเกิดพุทเกิดจําเป็นจำไม่ได้มาเรื่องใสพระพุทธศาสนาหมดจึงจะได้เข้าสู่พระนรพนแต่มันจะมาทํามียคิวนั่นนั่นั่ อันนี้กาสะตะโกตโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโคตรแต่สงแต่กับก็อสงไขอาศงไขกับเสียแล้วนั่นมีคําสอนอันเก่าไม่รบร่างพรบกันเลยพิษกันแต่เพียงข้างบารมีปัญญาทิกะศรัทธาทิกะวิทยาทิกะเท่านั้นส่วนคําสอนอันเดียวกันมดไม่รบร่างพรบกันนั่นนั่นนั่นใครในมู่ฮ่าสจะว่าในกวาซ่าเอี่ยชุดปเปลี่ยนได้ขันบอกนั่นต่อไปนี่ ซึ่งไม่เปลี่ยนเลยนะเ ด, ยเดี๋ยวียจักภาษาแล้วเนี้โอ้เดี๋ยวว่าหาชีพพกชีพหรอหาชี พ, พกพ ก, ก็กึ้งลงนีแล้วเนี่ยว่าได้เอาพ้าแห่นกันถามภาษามาเห็นกันยิ่งเข่ากันมา ผู้หวังพ้นทุกข์นะวัฏสงสารจะไปทางรัฐก็ต้องพิจารณาไตรั ก, าารกผู้หวังพอไปนิสัยก็เล่นอยู่กับนิมิตทั้งหลายอแสงสว่างอันนั้นอันนี้มายินดีในนิมิตทั้งหลายอยู่ในกรรมฐานนี่เรียกว่าตายแล้วก็ไปไปพรห ม, มโลกพรหมไปัจจาพรห ม, มโรหิตามาครับพรหมาปริตตาผาปรมานาผาอาภัสตราปริตตาสุภาปมาน า, าสุภาสุภกินิ ก, กาอาศัยนิ ส, ญญสตา จะพวกนี้คงเป็นโลเกียนอวิหาอัฏปาสุทตสาสุรสีาอาการิศากาอันนั้นเป็นพรหมของพระอนาคามีอัันนน้ทำแต่ระวัดระบาทส่งต่อพระเนปานหมดมันขึ้นอยู่กับบารามีแก่ก้าหรือไม่แก่ก้าเช่นพระพาหิยะทารุจิริยะเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเออพอแน้วครับอืมไปไปเลยเหตุที่ไหน เพราะดอกบัวมันจะบานเ้งเช่นปัญจวัคคีย์ก็บอว่าปัญญคันไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถรู้ท่านก็ไล่ออกรูปขันนามขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเทศแบบกิริยาย้อนถามสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนัเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกขังปัญเจเป็นทุกข์พระเจ้าข้าท่านไม่รู้จักหรือท่านจึงไปย้อนถามเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจคัด ถ้าไม่ย้อนถามจะไม่เข้าใจชัดเลียกวิธีย้อนถามเทศเทศพระอานุ์เทศวิธีปลอบโยนอานุ์เอ๋ยเธอได้สร้างบา ร, รมีกรับรามานานแล้วเธอจะได้สําเร็จพระหันในเวลาทําสังขายนาชั้งที่หนึ่งนี่เองนั่นเลียกว่าเทศปอบโยนอ น, นั้นอุบายปลอบโยนพระบรมศาสตราเทศมีหลายอย่างอุบายหนึ่งนิ่ง อุบายที่เทศพมาลงนิ่งไม่ต่อสู้โรคเที่ยงโรคไม่เที่ยงอันตรคาเหฮกะทิศสิบพระมาลงไปถามอุบายนี่ท่านนิ่งท่านไม่ตอบโรคเที่ยงโรคไม่เที่ยงโรคเที่ยงหรือไม่เที่ยงโรคมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดพระองค์นิ่งเลยไม่ใช่พระองค์จนมุมเพราะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แก่ผู้เทศไม่มีเกประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็เลยนิ่งนี่เรียกว่าเทศแบบรางเฉยไม่ต่อสู้เนี่ย เออถ้าพระองค์ไม่เทศเรื่องนี้ให้กับผมฟังกับผมก็จะลาเชืกขาเออถ้าอย่างนั้นเธอกลาไปซะเธอจะมาพูดประชดเราเธอไม่ได้สัญญากับเราว่าถ้าไปเทศถ้าไปเทศเรื่องอันตรายิกะทิิศนี้แล้วเนี่ยกับผมจะไม่บวชเธอก็้ามาในปริญญากับเราของบรมศาสตรเธออยากลาเชือกขาลาไปซะหมายความว่ายังไง มายความว่ากับผมเนี่ยมันคนตาบอดแล้วจงเรียนวิาชาฝนเขียนให้กับผมบ้างว่าอย่างนี้เนาะก็เสียวเวลาที่นี่ท่านก็ไม่บอกที่นี่หรือมาอย่างนั่นก็อุปมาเรือลำโตโ ต, ตมันอยู่น้ําลึกๆเราคนเดียวจะไปเข็นขึ้นมาให้เกยหาดมันไม่เคยจะหนัก ไ, ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่ใช่เพราะบรมศาสตราจนมุมไม่ใช่ว่าท่านกับประเทศมด บาป บ, บุญเมยไหมคุณโทษเมยไหมอย่างนี้ท่านไม่ค่อยอธิบายพราะปรมศาสตร์แสดงเพราะมันหนาเกินไปแล้วฝากไว้พระเจ้าองค์หลังแต่เราคงไม่ถึงขนาดนั้นเรารู้จักบาป บ, บุญคุณโทษอยู่ทําบุญแล้วมาอยู่ใจทําบาปแล้วก็ไปอยู่ใจพระใจเป็นผู้ทําใจมีคุณเป็นมหันมีโทษเป็นอ น, นันต์ถ้าทําถูกก็มีคุณเป็นมหัน ถ้าทำผิดบ่อยๆก็มีโทษเป็นอ น, นันต์เหตุที่สร้างบุญก็คือใจเป็นผู้เจ้าของเหตุใจเป็นมหาเหตุเหตุตัปั จ, จยโยช์เพราะเหตุเป็นปัจจัยก็คือใจผู้สร้างมันเหตุอารมณ์ก็เป็นปัจจัยบางอารมณ์ไปทางบุญก็เป็นบุญอารมณ์ไปทางบาปมันก็เป็นบาปนั่นบาปก็บุญในทางพระพุทธศาสนาบาปท่านหมายถึงมหาอิจิานรกหรือโล ก, กันจานรก ส่วนทางส่วนทางบุญท่านหมายจนถึงพระอนาคามีนะเหนือขึ้นไปกว่านั้นท่านไม่ได้หมายพระบรมศาสนานั่นพระอาหารหันต์เป็นบุญเป็นบาปไม่ท่านไม่ได้หมายว่าเป็นบุญเป็นบาปพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์สร้างบาปละบาปพอแล้วสร้างบุญก็พอแล้วไม่มีเหตุที่จะสร้างอีกเป็นอโหาสิบาปเป็นอโหาสิบุญหมดแล้วเป็นอโหาสิกรรมหมดแล้วตําในฝ่ายกุศลพระพุทธศาสนา ก็บัญญัติแต่เพียงพระอนาคามีเท่านั้นกำในฝ่ายบาปพระพุทธศาสนาก็บัญญัติเพียงมหาวิจีนรกหรือโลกันตานรกเท่านั้นพูดมากเฉยๆแต่ว่าเนื้อเรื่องมีอันเดียวมีนิดเดียวถ้าใครไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอวัยละมุกไม่เสียดายอยากจับล่วงละเมิดสินหาถ้าเสียดายอยู่ไม่ใช่ ไม่เสียดายทาไมยังไม่เสียดายเพราะมีเหตุผลว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษต้องต้อมันก็ไม่เสียดายสิ่งไหนที่มันเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษต Victor, ้องต้องมันก็ไม่เสียดายเมื่อไม่เสียดายอย่างร้อนรนมันก็ไม่นักไก่นักนักนักนักจะภาวน า, าตลอดรุ่งตลอดค่าก็ตามจนขมหขมขมจนเจ็ดวันเจดคืนก็ตามถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดเสีนยน่าอยู่เสียดายอยากเล่นน้ำบายู ไม่มกุกอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันเป็นพระโสดันโสดาโสดัโสดาคณะนะนะละถ้าเสียดายอยากจะถือศาตดาอื่นอยู่อัญญี้สตุเทศไม่ถือศาตดาอื่นสูตรอันนี้เป็นสูตรพระโสดาบันชัชาภิฐานานิอภะโปกาตุงนี้ทำปีสร้างเครัตนังปณีตงังเอเตนสัจเจนะสวัสดีหัวถุ สูตอันนี้เป็นสูตรพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ยอมถือศาสตราอื่นนั่นนะนะอภิฐานหกเราเคยได้เยินแต่งแต่อนันตริยกรรมห้าแต่ในพุทธศาสนามีจนถึงอนันตรยกรรมหกเคยได้เยินแต่อนุกัต อนนั้นเราจะทำให้มาทุกขะฆ่าม า, านดาเปี๊ยกทุกขะฆ่าเบิดาอรหัตตะฆ่าพระราหานโรเหิตุบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังมโเหิตไอห้อขึ้นไปสังฆเพศยังสองขแตกจากกันอันนี้ฉันตัวเทศถือศาตดาอื่นเพิ่มขึ้นอีกพระพุทธศรราสนาพระโสดาบันไม่ยินดีเลยจะถือศาตราอื่นจะภาวนาเกิดวันเกิดคืนก็ตามจะอดเข้าจนขุมผมขุมขนหล่นก็ตามถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดอบาลยามุก เสียดายอยากร่วงละเมิดเส้นห้าเสียดายอยากจะถือศสาธาราอื่นเสียดายอยากถือเลือกพยายามดีอยู่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะทำเลยนั่นน่นนั่นนั่นนั่ น, น, น ถ้าเห็นมันดิงลงไปว่ามันเป็นทางเสียหายอายุรุชุพประเภทเป็นทางเสียหายตรงตนน้นั่นนั่นนั่นนี่เรามนุษย์สมบัติถ้าล่วงอบายวรุชุพก็เป็นมนุษย์วิบัตินั่นเมื่อมนุษย์วิบัติแล้วก็เป็นสวรรค์วิบัติแล้วก็เป็นพรหมวิบัติแล้วก็เป็นพระนิพพานวิบัติไปในตัวถ้าถูกมนุษย์สมบัติแล้วก็ถูกสวรรค์สมบัติก็ถูกพรหมสมบัติก็ถูกพรนิพพานสมบัติไปในตัวนั่นน ah, you know, <e like like um like ั่นนั่นนั่นน่มสสสสบตตแแล้วพรระหชาาออด วุฒาตาเวินทะเตยนงังคนมันยอมหาทรัพย์ได้ไม่ใช่มันเล่นเล่หเน้อนั่งนั่งนัน่สู๋สู๋พรวานาโดนปัดกูว่าออสังกูพราะวา่านาวัดเขาเ น, านี่ยท่านั้นท่านี่ว่ดไหนท่านี่ตายตา ย, ยาวตัวไปเล่นเล่ห์รูปอัศจรรย์เน <c oughs> พาพระวานาเก่งมันให้สร้างนาะ กูเห็นเท่บุดเทวดาเห็นมลรหกรฮกระตเลเล็กามันโตมหามลรหกบ่มันจีบหายมบานมเมืองวดนั่นมลุ่งห่อห่ามันค้นทิศทีหลายพรวนาเลยสั่นนิสัยสั่นนิสัยน้อยง้อไปง้อมามาถามเด็ก่าท่อรว่าเจ้าพระสงฆ์กันสิหัวล้านคุ่งอนบนกระตาม เันยังบอกเลขบอกพาบอกบัดบอกเบอร์เขาเ่ยะจังสัตว์เรากอารมณ์่เขาบ้ลเข้ามันเปี่ยนมู้นิสัยอ่ะมันทิศถีแห้งแต่ว่าวาเทวาชคู่นี้ร้านคุงอนลูกพุ่นเข้ากขายังบ้าโลกอยู่เข้าห้วยจังสัตน์อกบ้าร้อนเนเขาอมันเปลี่ยนใจร้อนอ่ะมันไงเคยจะตายเนี่ยเขามาเสียดายอยากถือศาสดาเอื้อนกัแปลว่าสติปัญญาของเขานี่ เรื่อใอพุทธศาสนาพอแห้งอะอาจารย์รัทธาเลยขันยังเสียด่ายอยากจะถือศาสตราอืน่นถือรัตทิอื่นอยู่ถือผีถือสางถือเหลือดีง่มดีจะถือยูยงค่องกับพันด้วยล้หน่อยจ้ามะกะว่าแม่ไงไก่ช น, นอสองเกิงอน้ำมอเจิงน้ำผัดไปกระดะดเข้ามือกูพอเห็นเนี่ยหัต้องวาหลายเลยนะต่สั้นตนัก็บเมื่อไหร่ะกอนเข้ามาจันท์นี่นนนว่าจะเฝ้าไปวาหอดพระรหัรหัไปทัว ฝันว่าเราย่างนั้นย่างนี่คิดนฉันว่างิดนนี่ฉันไม่ว่างเพราะว่ากับว่างไก็ไม่ว่างหรือไม่ว่างมันเป็นปัญหานี่อยนีทั้งเลขมอยากเปล่นยุมสัญญานี่ว่าจะทวารน่ะเลกีแเขาคว่จิบหายกยังมเห็นเพชยังไ่ไปสวรรค์นี่พานของเท่านี้ยังบ่งจักก็มันจิบหายมันเอเพชรยังไหนทีไปได้ไม่แห้ไก่กนเยอคือเกินไก่คือละว่าสยอไปย่างอยู่สูงไปนว่าน เอาว้ว่าจะทุติตาตีถึงอยู่บ่มีกับแม่ถึงขึ้นลึกใดไปลกดก็ได้อาจิษรานไปอีงสันแล้วนั่มันแผ่นด่นนะสองแสนสีมื่นหยดเขาเอาลวกระเบิดปานมาโน่ทำลายแตกคิดใจถึงอุบุทํานาสองแล้วห้อยบ้าฟันพ่ออไรทีมลายแตกตายมือและสิบเท่ากับจงบแผ่สรยลือทุกยศบูชาพระพุทธธรรมประงเลยวาอสตวกในใจโลกธาตุเนบูชาพพุทธธรรมาสงมดเนี่ยมุนี่มุนีู่มดเจ้ามดมนี่มุนี่มนี่ แผ่นินแผ่นหาแผ่นฟ่าแผ่นไฟเยแผ่นร่มในมนุษย์โลกเทพาโลกพระมาโลกบูชาพระพุทธรรมสมมัดบูชาพระนิพพานมัดใคร า, าบูชาเป็นเผลิด น, นั่เฝ้ายั่งนเอาของเขาบูช า, าบพาบาปเพรบาปแล้วเขางงเขานอนเฝ้ายั่งเขากับบูชาขเขาเหเขาได้บุญน้ำหนั่งตัวอย <c oughs> <c oughs> ู่ในประเทศไหก็ได้ฮะเอาบูชาพระพุทธธรมดพระสมมัดเนี่ยถ้าคนร่ากายไหวใจ ชีทุ่นถวายเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์มมสมบัติพรสมบัติในพ่านสมบัติหมดบูชาพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์โยมาบรมเยี่ป ร, ป, รประมาย่อวกวานั้นแล้วออร่องทังเดียวว่าด้เบื่อร่องลา่าเข่นเนว่ามีนวยแก้วย่องอยู่บนหัวจึงม้วนผงทุลีหมดชีไว่าว่างเมียนนวยแก้วย่องอยู่บนหัวไม่ยังคือพระพุพะทธธรรมย่องอยู่บนหัวใจพระสงฆ์ขันว่าจังสังหรงไว เยเจกี่พูดทางแสงคตาเสนเตเขามสันติอภัยจพูมีปัญหายมาสังเวังเทกยังบริปเรศสันติที่ผู้ใดถึง่าพูดพระธรรมพระสงค์ก็ดีถึงมาพูธพระธรรมประสงค์ผู้นั้นละโลกลี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์ผู้ถึง่าพูธพระธรรมระสงค์มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์ผู้ไม่ถึงสัตว์ศาสนาพทธมีคติเป็นสองไม่สัติละชานก็สัตว์นรกนันนันนันันง กันว่าไม่แกับพระตไตรปิกเอาไปเร่าไอ่จิมซะจี้จัลลังเอานั้นงั้นพระพุ ท, ทธศาสนาเ้องเรื่องใช้พุ ท, ทธศาสนาเฮ้าต้องยืนยันที่เฮาบอกว่าไม่ได้เข้าใจว่าข้ามสอนอมุยเป็นข้าสอนเฮ้าหนี้สีว่างหนี้กระทัาเข้าใจว่าข้าสอนเฮ้าเฮ้าไปยืนยันันสัตวมันจึงจะเป็นอุปทานคําสอนพระพิฆเจศนี่ น, นันะันนั่ น, น, น <c oughs> านี่สีว่างยังได้ ข, ขีดขาดว่าอะไรดีอย่างี้ยเอาอะไรนอร้านนี้เาานาะ ยะถาวานิวาาภูราปัญญโพธิสัตข์รังเอวมเวายโตสินังเปตานังอุปกรปิดิชิตังวิิตังตุมหังเขวัมเมวัสัมมิสตูสเพียกูเรนจสังกับป่าจันโทปนณรโสยะถามณีโชติราโยยะขาสัพพีติโยเยวัจจันโตสัพพตุโขสัพพโยสัพพโลโวินัส ตัตมาเตยพวัตวันตรายโสายสกีตีคาโยโกเพราะอภิวาทนาสีนิสานิกังวุทธาปจายโนจัตตารโรธัมมาวัฏฐานทีอายุวนโน ส, สุขังพลังเต่อัทรัฐาชกิตายลุนหาพุทธะเสนโรคา ช, าชกิตาโหทะสาะเพียาตีพิ เตอัจฉริยิตายรุนหาพุทธาสเจโลคาิกิตายโหตาสังตเปยาติพาะวัตุสพมังคลังคันุสธรรมเทวตาพพุทาโนภาเวนะสัจจะสวดทีพวันทุเตภวะตุทรพมังคังันุสธมเทวตาสพทมาโนภาเวนะสัสวดทีพวันเตะวะตุพมังคังคันุสธมเทวตาสัพัฒนาโนภาเวนะสัจจาสวดทีพวันทุเตอยู่ทุกเมื่อเตยช่วทั้งเตโลกธาตุพุทโธสมสังโกเนปพาณเอาไปอละอันให้พอถึงโลกุตระเตเตยชัวทั้งไปโลกธาตุด้ว สิ่งที่ไม่ยั่งยแองเสียงทั่วไต่โลกระถาผู้คาขอเป็นเมเป็นทหารยุทุกเมืองขอปราศจากเวรไผ่ยุทุนนทรรเกเมืองขออุทิศกุศลทุนบให้ยุทุกเมืองในเมื่อเมื่อไหริผู้คาในเฮ็ดยุทธุกเมืองเฮ็ดไม่เข้าสุดแรกม่กขาดเรียกว่าทำเว้นทำวัดทั่วทั้งไต่โลกระถาในยุทธุกเมืองผู้คามันบา บ, บาบ่จีบาบยังไงทำเข้ารถทำอันม่ไม่เว้นในไผ่าบาบาเลยอ้ยิแถวที่บาดเนว่าบไปทั่วว่าที ขัดข้อว่ากันเลยคิดว่ากูเพื่อสูออบไหัวบสูบว่ากินน้ากูบอกเพราะว่ามันท่องแหงนู่นเนี่ยสูบว่ากินน้ากูบกูได้ตัวดีแท้แนเรรอพรอะว่าตัวดีน่าเรียกให้หน้านมันมดไปลนะตัวดีร้ายให้หน้ากับมุดกองแขนกอดขากระมดตัวดีร้ายแันนั้นม จนตัวเราเขาซัดบุคคลบอมีนีมีจะสังขารปศให้สังขารมดเล่าไม่มีของเราบอมีผู้อื่นบอมีของผู้อื่นบอมีมีจะกองทุกปดจะของให้เป็นกองทุกนะชนจะของดินน้ำให้ลกมาช่วงกันเป็นกายเรียกว่าลูกสมมติมาเล่าว่า เ, าเขาว่าสัดบุคคลปดทิมปศให้เป็นกองทุกขกายกับ วัดหากายเป็นกายยสังขารว่ากี่สังขารคิดต่สังขามนะรมัดจ้ะลดตำแหน่งล ง, งลดตําแหน่งลงมดัดว่าหายมื่อเรามีเขาพุ่นจังจะไปสู้พระนิพพานได้ขันเมื่อเล่าเขาอย่าไปสู้พระนิพพานว่าอะไรมัดขับใ น, นใจโลกาธาเนี่ยว่างมัดว่มีมสรัรว่ามีบุคคลมีได้สังขารในกองทุกพระนิพพานกันยังว่างอีกยยปุ้ยไผ่บรรจงของพุ่น มันจะาสยไปได้มาเสีมาของกูของกูของกูงกยู่เนี่ยมึงจะฟันผอดเลยอ <laughs> ด, ดับเพื่อนซะดับเพื่อนในวันตายสงสารจ้างเสีเป็นจ้างเสีเปิดประตูพเน่พาดเลยเพื่อนแมเกิดได้แก่ได้แก่แม่ตายเอออจะจะไปจำเด้ออันนั้นนะเอออันไหนมันจบเลยได้อันนึง อันนี้มันจำได้สิเทพต่างลานเนี่ยขันหาดลงมาหาลักน้อยหลายก็อะไรออกไปจากไก่ไงน้อยก็น้อยลงมาหาใจอดีตนีท่านของขันหาที่ลวงไปลาเอนาคตนีท่านขันหาว่าท่านมาถึงพัจจิกายนท่านขันหาที่กําลังเป็นอยู่อดีตเพื่อยังให้เราเห็นว่าน้อยลงกันอดีตคือผู้รู้ทีหลวงไปลาเล่อนาคตผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงพัจจุบันผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ ใครเป็นเจ้าของผู้รู้ในปัจจุบันใครเป็นเจ้าของผู้รู้ในอดีตใครเป็นเจ้าของผู้รู้ในอนาคตก็ไม่พ้นกับเพธรรมะอนัตตาอันเดิมนั่นเองเธอจงรู้ตามเป็นจริงเธอจงปฏิบัติตามเป็นจริงเธอจึงข้า <t> มทะเลหลงของตนตามเป็นจริงสักทวารมศาสราเรารู้พระนิพานตามเป็นจริงของพระ น, นิพานเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสอง เพราะเราไม่มีอุปทานแล้วเราจะปไปติดอยู่ในที่ใดเราจะสําคัญตัวว่าเราเป็นพระ น, นิพพานเราก็ไม่สําคัญเราจะสําคัญว่าพระนิพพานเป็นเราเราเขาไม่สาคัญเราจะสําคัญว่าเราเป็นสมมุติเราก็ไม่สําคัญเราจะสําคัญว่าสมมุติเป็นเราเราเขาไม่สําคัญเราไม่สําคัญในที่ใดทั้งสิง้นเหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราตถาคตจึงไม่มีที่ตั้งเพราะเาไม่าสดาดิฉันดิฉันภาวนา มันข้ามเวทนาไม่ได้พระเจ้าข้าหลวงปู่จะทำยังไงเออถ้าทํากันว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้ละถ้าเวทนาก็เป็นต่สักว่าเวทนาใจก็เป็นต่สักว่าใจมันก็ข้ามกันอยู่ในตัวเพราะมันไม่เป็นสงครามกันหลวงปู่ท่านนี่สิถ้าภาวานาดีก็ต้องไปเห็นนรกสวรรค์สิ เออเขาเห็นแล้วในไต่โลกธาตุมันอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเกิดขึ้นน้วก็แปลปวนน่าจะสลายเขาเห็นอย่างนั้นเขาเห็นผ่านไต่โลกธาติไปแล้วเขาหาเหลี่ยมจะพ้นทุกข์แล้วสิ่งไหนที่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังสิ่งนั้นเขาจะรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริ ง, รงลุดพ้นตามเป็นจริงเลยไม่ได้มาหลงอีก ผู้ภาวนาเอานรกเอาเสวรรค์ประหัตจินขนมถือว่าตนเป็นภาวนาดีเออมันไม่ถูกนะสวรรค์ก็อยู่ใต้อำนาจใะไจังนรกก็อยู่ใต้อำนาจอะไจังแต่ว่าเป็นทุกข์ใหญ่นรกนั่นได้ได้ในโลกล้วนอะไจังได้ในใะนโลกล้วนทุกขงังได้ในโลกล้วนอนาตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทั้งหยาบทั้งประณีด้วยทั้งไกลด้วยทั้งใกล้ด้ว ย, ท, วยทั้งละเอียดด้วยทั้งไม่ละเอียดด้วยงั่น ในตังมะมะในโสหะวัตสมิสมนเมโสท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงสักยะถาภูตังสำ ม, มัปปัญญายาดัตถบบังท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงข้ามไปสักข้ามความหลงของตอนตอนนี้สะนั่นนั่นถ้าไม่เออดิฉันจะทำกิจให้ว่าถ้าทําขั้นตนว่าเป็นจิตถ้าทําท่านจิตว่าเป็นตนมันก็ไม่ว่า ถ้าไม่สำคัญคิดว่าเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ว่างในตัวไม่ต้องทำกิริยาวางถ้ารู้เท่าอัชฌันติอเนมันว่างเองมันเราจะมาทากิริยาวางอีกก็ไม่ได้เหมือนเรารับตาอย่างนี้เราลืมตาขึ้นทำกิริยาวางมืดไหมนะัไม่ได้ทำนะักมันวางเองมันนะักนะักนะัพระพุทธศาสนามันลึกซึ้งก็คืออนัตตาธรรมเรื่องลึกซึ้งกว่าเพื่อ อนัตตาบาเป็นฝ่ายละอนัตตาบุญเป็นฝ่ายเจริญอนัตตาทุกเป็นอนัตตาที่ควรกำหนดรู้อนัตตาสมุทัยเป็นเหตุให้ละอนัตตามักเป็นเหตุให้เจริญอนัตตาเนโรดเป็นเป็นอนัตตาที่ควรทำให้แจ้งนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรดเป็นผลของมักมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรดมักก็ผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้า มักก็คือเหตุคือกรรมคือผลของเหตุผลของกรรมส่วนไปทางนีทางชั่วแ้่แต่เหตุกรรมเป็นประมาณเหตุนั่งผลก็นั่งพืชนั่งผลของพืชก็นั่งกรรมนั่งผลของกรรมก็นั่งเอาเหตุพูดผลของเหตุก็พูดนั่นเหตุจับผลของเหตุก็จับเหตุวางผลก็เหตุก็วางนั่มักท่าเทียบใส่ในหนทางเดิน เหมือนทั้งทางภายนอกมันเป็นภาษามคอตมักก็ไปว่างเหตุราพืชระกรรมเหมือนกั น, นผลข้างเหตุผลข้างพืชผลข้างกรรมก็สงเคาบกันเข้าได้นั่นนั่นเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหามักกับผลเชื่อมโยงกันอยู่ไม่มีหาระหว่างไม่ได้เหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุนนสงสัยผลก็สงสัยเหตุสสใจอันใด ที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยไม่รู้ตัวมักกิดมักใจก็มัวเดินโค้งย่อมไกลกากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตนย่อมได้วนอยู่สิ่นกานานเอ้าเอไปทีนี่บอกหลายตัวหลายเพื่อนตัวโลเพื่นตัวโลกโตไม่สิดอยู่กัจะเสือหรอเปล่าโซมีอิสระอยู่บอกหลายตัวหลายเพื่นฟ้าเพื่อนตัวโตโตกัจะเสือโตไมีอิศระอยู่ บางที ăng, ăng, ่เป่ามันเบาดังบางที่เก็มบางทีงเป้ามันดังบางที่เก็บมันเบาดังมันก็บอได้ว่ามันว่ามันเป็นบางทิ้งหรือว่าโตไปซสื้อแห้งพระพุทธเจ้าของเฮ้าบรรยัติบาปบุญคุณโทษถูกเมื่อคือนัที่อื่นนัดที่อื่นบัรยัติบาปบุญคุณโทษบ่ถือเหมือนพระพุทธเจ้าของเฮ้าพระพุทธเจ้าของเฮ้าบัรยัตอันใดถือมัไม่ผิดเลย ศาสนาอื่นบางศาสนาเนี่ยตัวนี่ตัวนี้กอฟังไม่ออกเหมือนกันเนี่ยตัวชมพรฟังไม่ออกบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกนักที่อื่นบัดบัญญัติไม่ถูกบัญญัติบุคคลก็ไม่ถูกด้วยเมื่อบัญญัติบาปบุญคุณโทษมันไม่ถูกแล้ว ก, ก, ก็บัญญัติบุคคลไม่ถูกเหมือนกันพระบราไม่ศาสนาบอกบัญญัติเป็นหกชะปัญญัติติโย ชะก็แปลว่าหกตาหูจมูกกลิ่นกายใจขันธทะปัญญาติขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเวท ญ, ญาศีละขันธ์หมวดศีนสมาธิขันธ์หมวดสมาธิปัญญาขันธ์หมวดปัญญาไม่มุตติขันธ์หมวดไม่มุตติไม่มุตติญาณทนะัศนขันธ์หมวดวิมุตติญาณทัศนะสารห้าก็เรียกแล้วก็บัญญัติ สัจจะปัญญติทุกขสัจจะคือความเกิดแก่เก็บตายโรคโกดหลงมรรคสัจจะคือศีลสมาธิปัญญาสำหรับปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มีธานวัตศีวัตภาวนาวัตก็จัดเข้าในทีน่นี้สมุทัยสัจจะเหตุที่ให้เกิดกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้ ชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกเกิดหนึง่งมรรคสัจกะมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนิโรธคือความทําให้แจ้งนิโรธสัพท์ความทําให้แจ้งซึ่งบาปซึ่งบุญซึ่งคุณซึ่งโทษสมมติว่านิโรธทําให้แจ้งป้าณาที่บาดเธอทั้งหลายทําให้แจ้งสะทําให้เว้นสะมันเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยสมมุติในข้อใดข้อหนึ่งอจินาการมีมุสาสุราความเหมือนกัน จงทำให้แจ้งในขันชาสันดานเมื่อท่านทั้งหลายละได้แล้วก็ให้รู้จักกําลังปฏิบัติอยู่ก็ให้รู้จักละได้แล้วไม่ขบดคือก็ให้รู้จักเรียกว่านีร้รถทัศจจะจงทําให้แจ้งทําให้แจ้งทั้งการเห็นด้วยทั้งการพิจารณาด้วยทั้งการุดพ้นไปด้วยเป็นสามการอิ น, นทริยปัญญติอินทรีย์ทั้งหกอินทรีย์ยี่สิบสอง จะขุน4ีคือตาชิวหิน4ีคือลิ้นซี่แปลว่าเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการเห็นจะให้เป็นใหญ่ในการอื่นอีกไม่ได้ส่วนเป็นใหญ่ในการโลภโกรธหลงมันเป็นเรื่อง ก, กิเลสตาเป็นเพียงเป็นใหญ่ให้ให้การเห็นทน่านสัมผัสลงไปถึงใจก็เรียกว่าตาวิญญาณเหมือนกันเรียกว่าจักขูวิญญาณก็เรียกหูก็บัญญัติอีก จมูกก็บัญญัติอีกลิ้นก็บัญญัติอีกกายก็บัญญัติอีกใจก็บัญญัติอีกมันยัดตามความเป็นจริงภุคขลานังภุคขะปัญญติบัญญัดบุคคลที่เป็นโลกีบัญญัติบุคคลที่เป็นโลคุตระบันญัดบุคคลที่เป็นพระโสดาบันบัญญัติบุคคลที่เป็นสักขาคามีบันญัดบุคคลที่เป็นพระอนาคามีบันญัดบุคคลที่เป็นพระอรหันต์บัญญัติบุคคลที่เป็นพระพัจเจกบันญัดบุคคลที่เป็นพระสมมาสัมุทเจ้า สมัยวิมุตโตอัศมิยะวิมุตโตก็ดีมีมุตที่กำเริบหรือบอกไม่กำเริบท่านก็บัญญัติกุปตธมโมอกุปตธรรมโอทที่กำเริบคือทำของผุ้ทุชนคนหนาทำที่ไม่กำเริบก็นับแต่พระโสดาวันเป็นต้นไปพระโสดาวันละอะไรได้ไม่ขบคืนไม่เหมือนผู้ทุชนคนหนาพุทธพุทุชนก็บัญญัติ ตามกว่าพระโสดาบันเรามาแล้วบัญญัติพุทธชนพุทธชนคนหนานักปราดบัญญัติแต่เฉพาะพระโสดาบันขึ้นไปซึ่งท่านมีสี้นห้าบริบูรณ์ของท่านท่านมีธานวัตรศีรวัตรภาวนาวัตปฏิบัติเพื่อบรรทุกแมวาจาสงสารท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรเจตนาของพระโสดาบันเจตนาของพระตาคาเมยก็เหมือนกันอนาคาเมย์ก็เหมือนกั น, น, ก น, กนพระทหา์นี่ยิ่งปใหญ่ละ คำสอนพระพุทธศาสนาสอนให้รุดพ้นจากปัญหาของตนเองปัญหาที่เป็นโทษสอนให้เว้นปัญหาที่เป็นประโยชน์สอนให้เจริญคือศีลธรรมาธิปัญญาและการธรรมะในย่งชีวิตปัญหาที่ทำให้แจ้งในขันธท่าฉันดานคือนิโรธเจษเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารทาทุกประเภทหน้ากายของเราแต่ละท่านแต่ละคน ครบแปดหมื่นสี่พระธรร ม, มขันธ์เลยไม่ได้บอกคร่องไปไหนเราจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นพระเทศอยู่สี่ทิพย์พยันสาก่อนเทศออกไปจากกายเทศออกไปจากวาจาเทศออกไปจากใจเท่านั้นไม่มีอันอื่นจะมาจะออกไปจากอันอื่นเพราะเหตุใดเพราะเห็นว่าดินน้ำไฟลมมันก็มีอยู่ในสกลละกายแลย้วทะเลหลงเป็นทะเลสําคัญที่สุดกองพลหลงเป็นกองสําคัญที่สุด หลวงว่าเราจะไม่เกะหลวงว่าเราจะไม่เจ็บหลวงว่าเราจะไม่ตายง่ายหลงในวัถุนิยมสารพัดวัดเวียงหลวงหนังหุ้มอยู่ในรอบก็หลงหนังอยู่หุ้มหุมอยู่ในรอบเป็นของมระชารมีประการต่างๆนี่มัตสเมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เจสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลาย นขาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตะโจคือหนังมังสังคือเนื้อนหรูคือเอ็นทั้งหลายอัถิคือกระดูกทั้งหลายอัถิมินชังเยื่อในกระดูกวะกังม้านัทยังหัวใจยักกนังจับเจโรมะกังพังผืดวิหังไตปัะบพสสังปอดอันตังไสใหญ่ ข้างหนึ่งอยู่คอหอยข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักอันทะโูนางสายรับไส้คือไส้น้อยวัตริยังอาหารใหม่ที่กืนลงไปอยู่ในกระเพาะกรีสังอาหารเก่าที่ค้างอยู่ในทอ่อที่ถ่ายยังไม่หมดนี่กำหนดว่าเป็นธาตุดินน้มดีเป็นฝักอยู่ใต้ตับธาตุน้ำนี่น้ะเฉลดขังอยู่เป็นมกมวกที่คอหอย เวลากลืน่นอาหารลงไปก็ไปแหวกน้ำเส็ดลงไปแต่ละคำละคำก็ปิดปับป๊บปับปบ๊ไห้น้ำหนองอยู่ตามเสียระบาดแผลน้ำเลือดท่วมอ้ามหัวใจตะปอดไหลซึมซาบลงไปในหัวใจตะปอดทีละเล็กทีละน้อยที่ไม่เป็นก้อนซึมซาบอยู่ทั่วทั้งสกปรกกายเว้นไวแต่ผม หรือเล็บหรือฟันอันเป็นของแข็งเสียหรือกระดูกน้ำเงื่อไหลออกมาทางขุมขนขุมผมเสโทเมทโทน้ํามันค้นอัศสูน้าตาน้ามันค้นติดอยู่ที่จะงอยบ่าหรือหน้าผ่าหรือฝ่ามือหรือหลังเท้าเหมือนไขเหมือนไขของโคน้าตาไหลออกมา ผมตาทั้งสองในเวลาร่องให้หรือในเวลาสิ่งที่กระทบตาน้ามูดไหลออกมาจากทางมันสมองและออกมาทางจมูกน้ำคล้ายข้ออยู่ตามข้อกระดูกที่ต่อกันน้ามูดที่อยู่ของปัสวะนี่คือท่า น, น้าส่วนมัตเเกมัตระงคงัง คือกระโหลกหัวหรือมันสมองนั้นท่านเพิ่มออกไปเป็นอาการสามสิบสองสมองสมองหัวนั่นค่ายคับนุ่นคุกกะทิกะโหลกหัวนั่นเหมือนกับกระลามะพร้าวมีเ็ดเสียงเอามาจอดกันเหมือนบาทของพระบาทโบราณต้องทำเกจเกเสียงเจซี่เซี่นั่นก็ผมนั่นก็ขน นั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็กระดูกนั่นก็เยื่อในกระดูกเหมือนยอดหวายที่เขาเอาใส่ไว้ในกระบอกนั่นก็ม้ามอยู่ข้าง้า้หัวใจเหมือนมะม่วงสองผลมีขั้วอันเดียวนั่นก็หัวใจตั้งอยู่ท่ามกลางอกเหมือนดอกบัวตูมมีน้ำเลี้ยงหัวใจ อยู่ประมาณสองมือเวลาโกรธน้ําเลี้ยงหัวใจก็ดําเวลาโลภน้ําหัวใจก็ดําในเวลาหลงจัดน้ําหัวใจก็ดําในเวลาที่มีทานมีศีลมีภาวนาจิตใจเบิกบานน้ําเลี้ยงหัวใจก็ใสเข้าส่วนท่านพุทพจนไปแล้วพระอรหันต์นั่นน้ําหัวใจท่านไม่มีขุนไม่มีมัวเลยใสแก้วอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อ ผู้มรณาภาพเขาจึงชอบเอาน้มามะพร้าวไปล้างหน้าสอวแสดงให้เทศให้ฟังเทศให้คนเป็นฟังถ้าพวกเราน้าไม่ใสเหมือนห น, น้มามะพร้าวนี้พวกเราก็จะมาเกิดเก่เก็บตายเหมือนผู้ที่ตายอยู่เดียวนี้เลย